ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกษุนีหลายรูปใช้หญิงคฤหัสถ์ให้บีบนวดในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตร6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ